ยามขัดสนหม่นไหมได้พึ่งเพื่อนยามโรคเยือน รึงรุมได้พึ่งหมอยามอากุศลโดนจิตคิดคดงออย่าพึ่งท้อพึ่งทมนำทางเอย่ยอาจารย์วรณีสิริบุญ ชีวิตเราเนี่ยมีสองอย่างคือความสุขกับความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมนะคือของจริงคือมีความสุขกับความทุกข์ถ้าไม่สุขเยมันก็ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็สุขเป็นอย่างนี้แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่คนที่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้ชีวิตจะมีความสุขก็ไม่มีทุกข์เลยเวลาเศรษฐกิจดีบูมโอ้เราก็ชอบใจภูมิใจลงทุนยกใหญ่เลย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 ดิมันก็ ผ, ผ่านไปเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรู้วว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกดิบังก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงและเลยั้งลืมนึกเริมตัวเตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้อันนี้ตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปับ๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานแล้ว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 บางท่านอาจจะมีความสุขลองมีสติดูสิความสุขนี่มันเปลี่ยนแปลงเด็กก็เปลี่ยนเป็ น, เป น, เปนความเบื่อความเซ็งเนี่บางคนกําลังเซ็งอยู่เนี่ยดูนะมีสติรู้เลยอ๋อนี่กําลังเบื่อกําลังเซง็งเด็กมันก็เปลี่ยนแปลงเด็วมันก็หายไปไม่มีสิ่งไหนคงที่เช่นว่าเราชอบอาหารที่อร่อยที่สุดอสมมุติว่าชอบส้มตําถ้าลองกินเนะ่ยเช้าส้มตําเย็นตําส้ม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 เวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจให้มีสติรู้ไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบทําตามความโกรธความโลภความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยการมีสติรู้ทันและไม่ทําตามที่เวลาเราโตใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำงานด้วกันเนี่ยบางทีมันหงุดหงิดมันโกรธเมื่อโกรธให้มีสติรู้ว่าออดิโกรธแหลนะอย่าเพิ่งทําตามนะอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปทํำเขาถ้าพูดไปเนี่ยเหตุผลก็ไม่ดี ทำไปก็เราจะมาเสียใจหลังว่าโอ้เราไม่น่าทําอย่างนี้เลยเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมีหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากกับคําพูดบางคําเราไม่น่าพูดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้บางคนต้องติดคุติดตารางโอ้ไม่น่าทําอย่างนี้ไปเลยเสี ย, ยนาคตไปเลยมีเยอะเลยแต่สมัยเนี้เราไม่มีสติเวลาโกรธปั๊บต้องรีบไปต่อว่าต้องรีบไปด่าเดี๋ยวมันจะหายซะก่อน แล้วผลออกมาเป็นไงโอ้ oh, เราไม่น่าเลยอย่าเพิ่งตั้งสติให้ได้เห็นความโกรธเวลาเกิดความโกรธอย่าไปดูขั้วลิอย่าไปดูคน อ, อ, อื่นดูที่ใจเราและมันจะหายไวถ้าไปดูคนอื่นแล้วก็มันจะปรุงแต่งให้โกรธดักยิ่งขึ้นต้องมีสติรู้ทันและสติเนี่ยมันจะหาหนาความโกรธไปครึ่งสติออกมาห้าสิบความโกรธเาา 50, ารเาไปห้าสิบ ถ้าสติมากยิ่งขึ้นนี่มันจะหายไปเลยนะไอเนี่ยเป็นการเอาชนะใจตัวเองเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อมือถือรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่อย่าเพิ่งซื้อมือสติรู้ทันเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้ะเดี๋ยวมันก็หายไปเอาชนะใจตัวเองได้แล้วเวลาเกิดความไม่พอใจมืสติรู้ทันแล้วสิ่งนั้นก็จะหายไปอย่าเพิ่งทําตามนี่เป็นการเอาชนะตัวเองการเอาชนะตัวเองด้วยสติเนี่ยประเสริฐกว่า การเอาชนะศัตรูได้ซ้าไปพุทองค์บอกว่าชนะอื่นหมื่นแสนที่เป็นครูหลีเป็นศัตรูเราเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับเอาชนะตัวเราเองเอาชนะตัวเราเองคือเอาชนะใจเราโดยการรู้แต่ไม่ทําตามนี่ชนะแล้วและผลคือเราจะมีความสุขนะทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเอาชนะใจเราเองไอเ น, นี่ยถ้ามาแบ่งปันกันอย่างเช่นผู้เรานี่อยู่ในวัยที่กําลังทํางาน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 อะไรก็ตามถ้าเราไม่รักเนี่ยยังไงก็ไม่มีความสุขความขยันความกระตุลนจะไม่เกิดขึ้นเลยต้องรักงานที่เราทํารักสิ่งที่เราทําเขาจึงบอกเป็นคำพูดเก๋ว่าถ้าเราหางานที่เรารักไม่ได้จงรักงานที่เราทําเถิดหางานที่เราชอบไม่ได้จงชอบงานที่เราทําเถิดหาคนที่เราชอบไม่ได้จงชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นการปรับใจเราให้ยอมรับให้รัก อะไรก็ตามที่เรารักเนี่ยเราจะขยันไปหาใช่ไหมเรารักสาวคนใดงหรือก็ตามเนี่ยโอ้จะไปหาเชา้าหาเย็นเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นผ้าตากไว้ก็ยังดีเพราไมเราจึงขยันได้แต่ถ้าเรารักงานรักชีวิตเราแบบนั้นแล้วก็เราจะกระตือร้นจะขยันเราจะรักได้ยังไงเมื่อเราจะให้เกิดความรักในใจิตใจนั้นต้องดูว่างานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราแค่ไหนมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน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 รายได้ต่างๆบางทีเราท้อแท้หมด ก, กําลังใจรายได้มันน้อยตําแหน่งมันน้อยค่าของคนเนี่ยไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ตาแหน่งค่าของคนเนี่ยอยู่ที่งานที่เราทําว่าเราทําเรียบร้อยแค่ไหนเขาจึงวัดค่างคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่าตาแหน่งไม่ใช่เงินเดือนเราจะมีกําลังใจทํางานดันั้นจะต้องมีเงินเราได้เงินเดือนมาแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บไว้เลยเนี่ยบางทีมันท้อแท้นะ เงินมันจะหายไปได้ยังไงถ้าเรารู้จักที่จะควบคุมแล้วก็ใช้จ่ายเขาจะบอกว่าขอให้เรามีเกินใช้ให้ใช้เกินมีถ้ามีเกินใช้นี่เงินมันเหลือเยอะถ้าใช้เกินมีนี่ไม่พอใช้รายได้ไม่สำคัญถ้าก่อนรายเหลือถ้ามีรายได้มากใช้มากมันก็หมดถ้ามีรายได้มากใช้น้อยมันก็เหลือสำคัญที่รายจ่าย แล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรากินยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือจโจรป้นทรัพ์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติดการเที่ยวเตะา่มันหมดไปเลยนะแล้วเราเงินหมดแล้วมันกระท้อแท้หมดกลาลังใจไม่อยากทำกันนั้นระวังให้ดีย้าให้พวกนี้มาปล้นเงินจากตัวเราไป ต้องรู้จักควบคุมถ้าไรายได้ไม่เพียงพอก็ทำไรายได้พิเศษหาไรายได้พิเศษนะทํางานนอกเวลานี่ก็เป็นการเพิ่มไรายได้รู้จักหาต้องรู้จักเก็บรักษาเหมือนตะเกียบคู่หนึ่งอ่ะตะเกียบอันเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยถ้าสองอันคู่แล้วก็จะมีประโยชน์มากมันหนีบได้กินได้ด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าการหาอีกด้านหนึ่งคือการใช้จ่ายต้องสมดุลกันเหมือนตะเกียบหนึ่งคู่ อันนี้ะพอมีเงินเหลือแล้วจะมีกําลังใจสําคัญนะรายได้รายจา่ายต้องให้พอดีสมควรอีกอย่หนึ่งก็คือการใช้ชีวิตมันก็ย่อมมีอุปสรรคไหนใครใช้ชีวิตแบบไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความลําบากเลยการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคมีความลําบากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจความลําบากหรืออุปสรรคจากการทํางานเนี่ย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 ทมให้เรามีประสบการณ์ทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความเข้มแข็งอดทน ส, สิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือที่ใจใเราถ้าใจเราท้อแท้แล้วก็รับรองชีวิตเราเนี่ยจะอับเถาเลยจะไม่มีชีวาเลยชีวิตที่ไม่มีชีวาเนี่ยมันเซ็งเพราะนั้นเปลี่ยนท้าทายอุปสรรคไม่ท้อแท้ท้าทายความสามารถชีวิตจะมีชีวา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 นั้นชีวิต ท, ที่มีความลําบากแต่เราไม่ท้อแท้ความลําบากฝ่าฟันไปเนี่ยจะเป็นวิธีแข็งแกร่งเหมือนอย่างกับเหล็กที่ผ่านไฟไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กกล้าได้ฉันใดคนที่มีความเข้มแข็งเมื่อเจอความลําบากและก็ฝ่าฟันไปได้จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าฉันนั้นงนั้นเวลาเจออุปสรรคอย่าท้อแท้อุปสรรคในการใช้ชีวิต ในการทํางานอย่าท้อแท้จงฝ่าฟันไปสร้างนี่แหที่อยากกระตุ้นล้นโดยการท้าทายสร้างนี่ที่จะท้าทายมันกระตุ้นล้นและต่อไปชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นโล่งโลดลุ่ลงเรืองขึ้นมีหลายคนที่ชีวิตประสบผลสําเร็จเพราะเขาเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้อแท้ฝ่าฟันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนําพาชีวิตเราเนี่ยสู่ผลสําเร็จได้ไง่ายๆอันนี้ถือว่าสําคัญมาก แล้วการทํางานด้วยกันเนี่ยจะให้มีความสุขนั kn เราต้องเข้าใจกันการมีสติดูตัวเราเสมอเสมอเนี่ยทำให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเราอย่าให้เขาทำไม่งใจเราเสมอไปไม่ได้หรอกต้องเข้าใจตัวเขาด้วยโดยเพราะเรื่องน้ําใจเรื่องความเอื้อเฟื้อตัวคนที่ชอบให้ให้เวลาให้โอกาส ให้ท็ฟฟี่หนึ่งเม็ดกับเครื่อนของเราเนี่ยก็ถ้าเรามีน้ำใจแล้วนะบางทีเครียดกับงานเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่เครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยบาทีมันหนักกว่าวิธีการลดความเครียดกับเพื่อนร่วมงานคือต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาแม้เขาไม่เข้าใจเรารู้จักให้จิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดอยากจะได้เนี่ยต่างกันไหมจิตคิดจะให้ดีไหม เราเคยให้ของใครไหมเราอยากให้อะไรใครสักอย่างเนี่ยโอ๋จิตเราดีมากจิตจะกระตือรือร้นแต่จิตคิดอยากจะได้ของเขาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะฉะนั้นคนที่ให้เนี่ยจึงมีความกับคนที่อยากได้ใครก็ตามที่ประสบผลสาเร็จในชีวิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก็าอย่ามัวรอช้ารีบที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ เราก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขเพียงแต่พูดคุยว่าอ๋อดีแล้วเหมาะสมแล้วที่คุณได้รางวัลเหมาะสมแล้วที่คุณประสบผลสาเร็จเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณลําบากมากๆเหมาะแล้วไห็นไหแสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจด้วยเราก็ใจดีเพื่อนก็ใจดีอันนี้ถือว่าเป็นน้ําใจเราเคยไหมมีคุณพ่อคุณแม่หรือพญาติยายเราเนี่ยเวลาท่านไปวัดท่านกลับมาเนี่ย มีคนบอกว่าอนุโมทนานะอนุโมทนาเห็นไหมคำว่าอนุโมทนาเนี่ยคือการแสดงความยินดีคนที่อนุโมทนาโดยที่ไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยก็ได้บุญคนที่ไปวัดก็ได้บุญแต่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญเห็นไ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญประเพณีส่วนนี้ไม่อยากให้มันหายไปเวลาใครประสบผลนั่นแหละก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ลราก็พลอยดีไปด้วยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะนำเสนอที่ว่าเป็นธรรมะก็ได้เป็นคุณธรรมประจําใจคุณธรรมแปลว่าอะไรคือคุณงามความดีมีอยู่ในใจใครใจนั้นก็จะมีความสุขความสุขหาได้ง่า ย, ายโดยการแสดงความยินดีมันตรงข้ามกับอิจฉาลิษยาถ้าคนแสดงความยินดีไม่ได้แปล ว, ว่าอิจฉาลิษยาอิจฉาลิษยาเนี่ยจะมีความสุขไหมคนคิด อิดชาตาล้อนนอนไม่หลับไม่มีความสุขถ้าคนที่แสดงความดีจะมีความสุขจะว่าไปแล้วคือธรรมะในจิตใจเราเองคุณธรรมธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเมื่อ2500ปร้ปีนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันธรรมะสอนให้เรารู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลธรรมะสอนให้เราไม่ประมาทธรรมะสอนวิธีการแก้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเลยวิธีการ ข่าวาธรมะเนี่ยมีหลายอย่างการได้ยินได้ฟังอย่างวันเนี้ยเราได้ยินได้ฟังเนี่ยว่าเป็นธรรมะก็ได้การได้ยินได้ฟังการเอาไปขบคิดและการลงมือปฏิบัติอันนี้คือธรรมะทางนั้นเลย